ทรงประชมุสมส่งบันยศสิกขาบทลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชมุมสงเพราะเรื่องนี้เนต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีชาวพกีชายภาพน้ําไม่ได้ขนาดจริงหรือภิกษุทั้งหลายตุลาบว่าจริงพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคพทธเจ้าทรงตําหนิว่าภิกษุทั้งหลาย